วันที่สิบเอ็ดองค์ที่สี่กับห้าของพ่ชงปรากฏเช้านี้เป็นอีกเช้าหนึ่งของความมีสติตื่นเต็มเพิ่งมองย้อนกลับไปแล้ยเห็นว่าที่ผ่านมาฉันเพ่งคับแคบอยู่กับลมหายใจเมื่อไม่มีอิรยาบถเป็นฐานสติร่วมประกอบด้วยนั้นแม้เห็นลมหายใจชัดจิตก็ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร